ในภาราสริยะคาถาเนี่ยขุตการิการเทระคาถาเนี่ยอ่านแล้วชอบใจนะอ่านแล้วชอบใจอยากจะท่องให้จำให้หมดเนี่ยยังไม่รู้จะไหวไม่ไหวเลยท่า น, นคือตอนท้ายท่านบอกว่า ตอนถ้าท่านบอกว่าอินทรีย์ของเราเนี่ยนะอินทรีย์ของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ก็มีไม่เป็นประโยชน์ก็มีถ้าหากว่าควบคุมไม่ได้นี่เป็นโทษเลยม่อันนี้หน้าหน้าเอาไปคิดนะครับเนี่ยหน้าเอาไปคิดนะครับเอ่อเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดที่จะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายนี่มีโทษมาก ถ้าหากว่าเราควบคุมได้นะก็ก็นู่นนนะ่ะก็ได้ได้ผลสูงสุดเลยนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากเลยนะและทำยังไงเราถึงจะเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรได้ก็คงจะต้องอาศัยท่านอาจารย์นะครับอธิบายครับเพราะว่าสนใจจริงๆครับนะอยากจะมีอินทรีย์สังวร น, นะครับ เหมือนกับเขาบ้างตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เคยนึกเลยว่ามันจะมาเป็นโทษเป็นภัย <c oughs> แต่ก่อนเราก็ไม่เคยนะไม่เคยคิดว่ามันมันจะมีทุกมีภัยมีโทษมีภัยกับเราอะ่ะเนีพอมาเรียนเรียนแล้วท่านบอกไว้เลยเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายถ้าพูดใดควบคุมไม่ได้นะเป็นโทษเลยแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะ เพราะว่าถ้าหากว่าธรรมดาธรรมดาไม่ได้สดับไม่ได้ศึกษาแล้วนี่มันไม่ลงไปมันต้องเจอทางสุภาณนิมิตปฏิฆานิมิตดุเบขานิมิตแล้วมันก็ไม่พ้นโลพะโทสาโมหะสักทีหนึ่งเลยเนียมันไม่พ้นอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นโทษจริงๆถ้าเราบังคับมันไม่ได้นะภาษาอังกฤษเขาว่า out of control พูดภาษาอังกฤษเส้นไนนะ out of control นะนะมันต้อง under control นะอันนี้เรา ภาษาจีนเราเก่งกว่าท่านนะที่ไหนไงต้องไปคุยที่กับอาจารย์บทนันะพราะว่าอะไรที่มันอยู่นอกเหนือบังคับมองเราแล้วนี่นะฮะมันจะพาเราอิเลเปปะไปทีเดียวนะก็ตรงนี้ก็ขอให้ท่านช่วยขยายหน่อยได้ไหมครับท่านไปอ่านดูในในในส่วนนี้นะครับแล้วท่านจดเอาไว้น่ะดีมากเลยนะครับอใน ในกุทกานิการเทละคาถาปาราสริยะคาถาว่าด้วยไม่รักษาอินทรีย์จึงมีโทษอินทรีย์นะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะผู้ไม่รักษาอินทรีย์จึงมีโทษความคิดได้มีแล้วแก่ภิกษุผู้ชื่อว่าปาราสริยะผู้เป็นสมณะนั่งอยู่แล้วแต่ผู้เดียวนั่งอยู่คนเดียวนะ มีจิตสงบสงัดเพ่งฌานอยู่นะพเพ่งฌานอยู่นี่นะอัตถกถาท่านบอกว่ากำลังโยนิโสมนสัสการอยู่นะบุรุษพึงทำอะไรคิดนะเอบุรุษพึงทำอะไรโดยลำดับนะจะทำยังไงนะให้เป็นไปตามลำดับนี้นะพึงประพฤติวัดอย่างไรนะพึงประพฤติวัดอย่างไร พึงประพฤติมารยาทอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้ทากิจของตนคือท่านลำพึงว่าเอ้ยอยางย่งยงเราเนี่ยเป็นสมณะเนี่ยนะเราจะประพฤติปฏิบัติในสิกขาสามตามลำดับอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้กำลังศึกษาสิกขาสามคือในเรื่องศีลสมาธิปัญญานะครับและชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครเอ๊ะทำยังไงดีนะ จึงจะชื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามสิขาสามแล้วเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครด้วยไม่เป็นโทษกับใครอินทรีย์ทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายนะท่านรู้เลยนะอินทรีย์ที่ไม่รักษาย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อินทรีย์ที่รักษาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อืนี่แหละครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับ แล้วในอัตถกาท่านบอกนะเมื่ออินทรีย์สังวรสําเร็จศีลทั้งปวงเป็นอันว่ารักษาดีแล้วอินทรีย์ทั้งหลายมีจกักษุเป็นต้นบุคคลใดไม่ปิดด้วยประตูคือสติเห็นไหมคอนโทรลแล้วใช่ไหมเนี่ยบุคคลใดไม่ไม่ปิดด้วยประตูคือสติ ย, ดด ย, ตสตย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายแก่บุคคลนั้น โดยความเป็นประตูให้บาปรธรรมมีอภิชาเป็นต้นเป็นไปในอารมมีรูปเป็นต้นบุรุษผู้รักษาและคุ้มครองอินทรีย์นั่นแหลจึงชื่อว่าเป็นผู้ทากิจของตนนะถ้าควบคุมอินทรีย์ได้นะถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาแล้วนะได้ปฏิบัติไตรสิกาแล้วนะผู้นั้นย่อมไม่พ้น ผู้ใดไม่ห้ามจากขุนรีอันเป็นไปในรูปทั้งหลายเป็นผู้ยังไม่เห็นโทษผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากทุกได้เลยอันหนึ่งผู้ใดไม่ห้ามโสตินรีหูแล้วนะอันเป็นไปอยู่ในเสียงทั้งหลายยังไม่เห็นโทษผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากทุกได้เลยถ้าผู้ใดไม่เห็นอุบายเครื่องสลัดออก ซ่องเสพในกลิ่นผู้นั้นเป็นผู้หมกมุ่นในกลิ่นย่อมไม่พ้นไปจากทุกขผู้ใดมัวแต่คํานึงถึงรสเปรี้ยวรสหวานรสขมเป็นผู้กําหนัดยินดีในรสยินดีด้วยตัณหาในรสไม่รู้สึกถึงความคิดในใจผู้นั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุกอ สูตรนี้ก็ยาวมากเลยนะครับลองดูที่ว่าใครติดทวารไหนนะเมื่อกี้นี้ในรถใครติดก็รู้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยทางตาก็รู้แล้วทางหูแล้วตอนนี้ทางผู้ใดมัวแต่นึกถึงโพธพภพอันสวยงามไม่ปฏิกูลยินดีแล้วผู้นั้นย่อมไม่ผู้นั้นย่อมได้ประสบทุกมีประการต่างๆอันมีราคะเป็นเหตุ ก็ผู้ใดไม่อาจรักษาใจจากธรรมะเหล่านี้พวกจากอารมณ์ทั้งห้านั้นย่อมติดตามผู้นั้นไปเพราะการไม่รักษาใจนั้นร่างกายนี้เต็มไปด้วยหนองเลือดและซากศพเป็นอันมากอันนายช่างผู้ชลาดทำไว้เป็นของเกลี้ยกลาำ ว, วิจิตงดงามดุจจะสมุก ค, คนผานย่อมไม่รู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นของเผ็ดร้อน มีรสหวานชื่นใจเกี่ยวพันด้วยความรักเป็นทุกข์เป็นของฉาบไลไว้ด้วยสิ่งที่น่าชื่นใจเหมือนมีดโกนอันทาแล้วด้วยน้ำพึ่งฉะนั้นโอ้เสียวไส้จริงๆนะไอ้ผดภัพฑะนี่ร้ายกาจมากบุคคลผู้กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและพดภัพของหญิงย่อมต้องประสบทุกข์มีประการต่างๆ กระแสตันหาในหญิงทั้งปวงย่อมไหลไปในทวารทั้งห้าของบุรุษผู้ใดมีความเพียรอาจทําการป้องกันกระแสตันหาเหล่านั้นได้ผู้นั้นเป็นผู้รู้อัฏฐะตั้งอยู่ในธรรมะเป็นผู้ขยันมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแม่บุคคลยังเป็นผู้ยินดีในการคลองเรือนก็พึงทํากิจอันประกอบด้วยอัฏฐะและธรรมะนะไม่คือเราคารวาะเราก็ปฏิบัติได้นะยังไม่ใช่โยนให้พระไปหมดนะ คือสูนี้ก็ให้ท่านไปอ่านนะเพราว่าสูนี้ยากกว่านี้เยอะนะฮะน่าสนใจมากเลยสรุปแล้วก็คือถ้าหากว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่ได้ไม่ได้รับการรักษาควบคุมไม่ได้เสียหายมากลงนรกง่ายๆนะแต่ถ้าควบคุมได้ไปสวรรนคะ์ะแล้วยังไปถึงนิพพานด้วยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่สัมปรายกัตถประโยชน์ปรมตถประโยชน์ด้วยอินทรีสังวรฝึกไปสตินะสะติเป็นยังไงสติไหนไงเนะี่สติเป็นยังไง นึกถึงคํำมาสเตตสเตติเป็นยังไงที่จาจารอกรเหมือนคุณคลังครับเหมือนคุณคลังเลยนะถ้าเห็นแล้วมีสติเนี่ยเป็นยังไงเอาเห็นแสงสว่างเนี่ยเอออเห็นไงมีสติเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยแสงเนี่ยไหนนะทายังไงหนะมุนนี่เลยลอง อธิบายสักอย่าง เ, าเห็นแสงสว่างนี่มีสติแล้วมันเป็นยังไงถ้าไม่มีสตินี่เป็นยังไงไหนนะเอาแค่แสงสว่างนะไหนถ้ามีสติเห็นแสงสว่างเป็นยังไง หนูได้ว่าจะถ้าของเรานะถ้านึกถึงคําสอนได้แล้วเอาคําสอนพิจารณาตามคําสอนในขณะที่เห็นแสงสว่างนั่นนราเรียกว่ามีส ต, ติแต่ถ้าหากว่าแสงสว่างเกิดขึ้นนั่นนะนึกคําสอนไม่ออกซักคำเลยนะ <c oughs> อ น, นี่แหละก็เรียกว่าไม่มีส ต, ติมเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> นนเห็นแล้วนึกไม่ออกเลยเออนั่นแหละอย่างนั้นแหล ะ, หละมันมีส ต, ติอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าหากว่าเห็นสีแล้วเนี่ยนะเห็นแสงสว่างเนี่ยแล้วนึกถึงสตอิอ่นึกถึงคำสอนสักสูตรหนึ่งเนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่าคนมีสติแหละเพราะว่าใช้คำว่าคำสอนเนี่ยกว้างขวางนะ อ, อยกตัวอย่างบอกว่าปัญญานี่เป็นแสงสว่างในโลกเนี่ยนะในบรรดาแสงทั้งหมดเลยนะแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยประเสริฐเนี่ยนะ แล้วก็นึกถึงคําสอนสักคำหนึ่งใช่ไหมถ้าเออแสงเนี่ยนะปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างในโลกถ้ามีปัญญาจะเป็นยังไงก็มองนะปัญญาเบื้องต้นก็กรรมสกตาปัญญาก็พิจารณากรรมสกตาปัญญาลงมาอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะแต่ในสะพานเบื้องต้นเลยก็คือให้นึกถึงคําสอนสักอย่างก่อนนะหรือในฐานะว่าเออแสงสว่างนี้เป็น ประตูปะนิสยาปั จ, จัยแห่งจิตเห็นไปยังดีจะได้เชื่อมนเนื้อหาไปหาหมวดอื่นๆอีกแต่ขอให้นึกถึงคําสอนได้สักสักหมวดหนึ่งแ ล, แล้วพิจารณาต่อไปนั่นแหละเรียกว่ามีสติถ้าไม่มีสติก็นึกถึงธรรมะอะไรไม่ได้สักอย่างก็นั่งเบ้อๆไปอย่างนั้นแหละนี่นัดใครบ้างหรือเปล่าเนี่ยคิดทําอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้ น, ไ น, น, น, น, น, น, นะ ไ, นนนไม่มีสติอะไรสักอย่างแหละก็จำนวนก็ว่าไม่มีสติไม่มีตะตังอะไรเลยอย่างนั้น เพราะเราสตินี้มีสัญญาเป็นเหตุใกล้นะมีความจำที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้<ๆ>ก็คือสามารถจำคำสอนได้นั่นเนองยกตัวอย่างพระอนนท์นี่เป็นเอตทัคคะในด้านมีสติเพราะพระอนนท์ทรงจำคำสอนได้เยอะพอเห็นอะไรนี่พระอนนท์นึกถึงคำสอนได้ของเราเรานึกถึงคำสอนอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละเรียกว่าไม่มีเหตุใกล้ของสตินี่ยนะ ถ้าหากว่าการศึกษาพระธรรมในเชิงเอามาใช้นี่นะธรรมะจะไม่รู้สึกว่าเยอะไม่รู้สึกว่าหนักเลยแต่ถ้าศึกษาในลักษณะอื่นหูยทำไมเยอะจริงๆเลยนะนะแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาลักษณะเอามาใช้นี่นะเอ๊มีที่ไหนมั่งจะอธิบายเรื่องนี้ให้เราได้ความรู้มากๆอะ่ะเพราะเราเอามามาใช้ไม่ได้เอามาปฏิบัติไม่ได้นะนั่นแหละ ดันสตินี้มีสัญญาเป็นสัญญาที่มั่นคงด้วยนะไม่ใช่สัญญาแบบเลอะเลือนนะสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้นี่นะในชั้นต้นเลยคนที่มีสติญญก็คือคนที่คิดถึงคําสอนได้ยกตัวอย่างคนไปธุระที่ไหนเนี่ยนะคนมีสติเนี่ยนะคือคนยังไงคือคนที่ไปแล้วไม่เสียกิจนั้นนั้นนะเรียกว่าไปแบบมีมีสติอันนั้นแบบโลกโลกเขาอะนะ คือไปแล้วไม่เสียการเสียงานไม่เสียกิจไม่เสียหน้าที่ยกตัวอย่างเขาบอกว่าเขาดื่มเหล้าอย่างมีสติก็คือดื่มเหล้าแบบไม่เสียงานอ่ะนะสำนวนของเขาอ่ะคือหมายคำว่าถึงเขากินเหล้าแต่เขาไม่เสียงานของเขาอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเขามีสติแบบของเขาแล้วแบบของเราแ่ะแบบคําสอนแบบแบบสิทธิ์มีอาจารย์อ่ะนะแบบสิทธิ์มีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์แนะนําว่าอย่างไรนะถ้าหากว่าเห็นแล้ว ไม่มีสติเนี่ยนะปล่อยใจให้เป็นไปกับโทสะโทสะเกิดขึ้นเสียหายอย่างไรถ้าเห็นแล้วโลภะเกิดเออเมื่อโลภะเกิดนี่เสียหายอย่างไรถ้าเห็นแล้วโมหะเกิดอวิชชาเกิดถ้าวิชาเกิดเนี่ยมันเสียหายอย่างไรเนี่ยน ะ, ะเดี๋ยวฟังสูตรนี้สักสูตรหนึ่งเพื่ออาจจะได้ปัดกายของสติสักอย่างหนึ่ง ในอวิชชาสูตรเนี่ยนะสังยุตติกายมหาวรารวักวางนั้นอวิชชาสูตรดูการพิสูตรทั้งหลายอาวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอากุศลธรรมให้ถึงพร้อมเนี่ยนะเป็นประธานเป็นประธานโดยเป็นอุปนิสยปัจจัยแห่งอากุศลทั้งหมดและเป็นสหาชาตปัจจัยแห่งอากุศลทั้งหมดเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยเกิดร่วมกับ อฮิริกะการ่วมกับความไม่ละอายบาปอนโนต ป, ปะความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นะนะพอวิชาเกิดขึ้นอะไรอีกความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชามิจฉาทิฐิก็ได้ปัจจัยแล้วนั่นะนะพอเรานึกถึงคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นไม่ได้มิจฉาทิฐีก็จะเข้ามาพอมิจชาทิฐีเข้ามาแล้วอะไรต่อมาอีก มิจฉาทิฏฐิต่อนะมรแปดมิจฉามากอ่ะต้องต่อด้วยมิจฉากรมันตะมิจฉาสังกัปปะอกุศลวิตกเกิดทันทีต่อเลยถ้ามิจฉาสังกปะเกิดแล้วมิจฉาวาจาก็จะเกิดแก่ผู้ที่มีมิจฉาสังกปะคนนี้คิดอะไรมันก็พูดอะไรแห่ๆนะยกตัวอย่างนะเห็นแสงสว่างวิูกานว่าชมแสงเดือนใช่ไหม เนิร์กไปด้วย น, นี่มิจฉาสังกปะใช่ไหมแล้วก็พร่มเปนเพลงออกมามิจฉาวาจาต่อไปอีกนะั่นก็จะจะเป็นลักษณะนั้นเลยนะเพราะอาวิชามันเกิดขึ้นใช่ไหมอวิชาเกิดขึ้นไ ม, ไม่ไม่นึกอะไรเป็นอะไรอ่ะแบ่งบุญกันหน่อยนะเอาเป็นตัวอย่างนะถ้าหากว่าเห็นแล้วสติไม่เกิดเนี่ยนะไม่นึกถึงถาอาวิชาเกิดขึ้น พอวิชาเกิดขึ้นอหิริกะอนโนตปะอหิริกะคืออะไร <c oughs> ไม่ละอายต่ออกุศลเนี่ยนะไม่ละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตไม่ละอายต่อบาปอากุศลธรรมอนโนตตะปาก็คือไม่เกรงกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะเสร็จแล้วมิจฉาทิฐิเป็นต้นเนี่ยจะเข้ามาและเอ้บุญไม่มีบาปไม่มีหรือแนวความคิดที่เป็นสากายะทิฐิเป็นต้นก็จะเข้ามา อาศัยพื้นฐานจากอวิชชา น, นั่นแหละมิจฉาสังกปะ ก, ก็จะเกิดขึ้นสะสมอะไรามาเมื่อเห็นแสงเดือนแสงดาวก็นึกถึงใครก็ว่าแต่ละมิจฉาสังกปะ ก, ก็เกิดขึ้นนึกถึงแล้วทาําไงวอนลมฝากรักเลยคนนี้มิจฉาวาจาออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มิจฉาวาจาต่อมาอีกเอร้องไปร้องมาไปหาเลยมิจฉากำมันตาเอกมิจฉามัด ก, ก็เป็นไปตามนี้การชีวิตก็อยู่ในว่าตาแบบนี้แหละ ชีวิตที่เป็นไปในวาตาก็คือชีวิตแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเห็นอะไรก็เป็นไปกับอกุศลทั้งหลายแหละถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติแต่ถ้ามีสติก็คือจะสามารถว่านึกถึงคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะว่าในในโลกนี้เราไม่สามารถคนคิดทฤษฎีแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้หรอกเห็นไหมในฐานะที่เรานี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระธรรมคําสอนเป็น สารณะแล้วก็มีพระอริยะสงทั้งหลายเป็นสารณะนึกถึงว่าเออเมื่อตามองเห็นสีอันนี้แล้วเนี่ยพระสาวกแต่ปางก่อนที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคิดอะไรท่านพูดอะไรท่านทำอะไรอย่างในคืนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนกันนะท่านพาลปุตุชนก็จะไปนั่งชมเดือนดูดาวอะไรแบบอกุศลไป แต่ถ้าเป็นพระอริยะสาวกเป็นต้นท่านจะนั่งสนทนาธรรมกันทั้งคืนเนี่ยนะมันจะตรงกันข้ามหมดเลยนั่นแหละเพราะเราก็ต้องให้เห็นความแตกต่างระหว่างภาลปุตชนกับอริยะชนเพราะว่าภาลปุตชนไม่มีการอบรมอบรมอะไรอบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาส่วน อริยะสาวกท่านอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาเกิดขึ้นนะกายกรรมอย่างไรจึงจะไม่มีโทษเ น, นี่ยนะวจีกรรมอย่างไรจึงจะไม่มีโทษมโนกรรมอย่างไรจึงจะไม่มีโทษนะก็เริ่มตรนะนึกถึงคาสอนอันนีนะแต่ถ้าหากว่าตันหาในภพเล่นไปว่าจงเรียบห้ามด้วยสติก็กคือนึกถึงว่า อ, อย่ามองอะไรสั้นๆเนี่ยนะอย่ามองชีวิตแค่ชาตินี้ นะมองชาติหน้าแล้วมองเลยไปหลายๆชาติเพราะฉะนั้นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสังสารวัตรเนี่ยนะน้ำตามมากกว่าน้ํามหาสมุทรเป็นต้นก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าชีวิตในการเป็นไปในวัฏจัก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่อย่าลืมว่าการฝึกนึกคิดอย่างนี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ในพระมูทผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเราขอมีท่านเป็นเป็นสารณะเป็นผู้นําทางแห่งความนึกคิดของเราทั้งหมดเนี่ยนะ อันนี้นสําหรับผู้ที่เห็นคุณค่าแต่เบื้องต้นเลยเนี่ยนะพื้นฐานแห่งสารณคมเราต้องแม่นยําหน่อยนะคื อ, อยังไงจะพูดธรรมะหมวดใดก็ตามจะไม่ทิ้งขอทิ้งเรื่องนี้เลยเพราะว่าถ้าพื้นฐานเราเคารพในสารณะอ่อนอย่างไรปฏิบัติไม่ได้แน่นอนเชื่อเลยเพราะกําลังคืออะไรขาดก่อนศรัทธาขา ด, าขาดเมื่อศรัทธาขาดมันจะเพียรทํำยังไงจะไม่มีความเพียนนะะบุคคลไม่มีศรัทธาจะไม่มีความเพียนเลยนะ ทำไปทำอะไรมันนั่งคิดยังไงคิดอย่างนี้ไม่เห็นสนุกเลยเปิดเพลงฟังหนึ่ง่นถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่มีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรเนีย่ยนะสติจะเอาอะไรมาวินิจฉัยว่าดีหรือชั่วนะประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์สติก็ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีกิดให้ทำใช่ไมเพราะฉะนั้นอินทรีย์ห้าท่านจึงเรียงสติต่อจากวิริยะศรัทธาวิริยะสติ เลยนะแล้วความเพียรพยายามนั้นต้องทําด้วยความสงบนั้นเป็นกิจของสัมมาสมาธิแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของความโง่เขลาไม่ใช่สงบเพื่อที่จะนั่งสับประงนกนะสงบมากๆเข้าสับประงกเลยไอ้ไทยอย่างนั้นเนี่ยโมหะแต่เป็นความสงบที่เป็นไปกับปัญญาที่วินิจฉยัยท่านท่านจึงเรียงปัญญาไว้เป็นอันดับสุดท้ายเนี่ย น, นะเพื่อที่ว่ากิจการงานที่ทํานั้นจะต้องสุคุมรอบคอบ เป็นไปอย่างตลอดสายจริงๆงันั้นถ้าหากว่าเรานึกถึงคาสอนอ่อนเท่าไรการปฏิบัติธรรมของเราก็จะได้ผลน้อยเท่านั้นจริงๆเนี่ยนะแล้วปัจจัยสำคัญของสติเนี่ยนะมีอยู่4อย่างด้วยกันอันดับแรกก็คือสติสัมปชัญญสะสติสัมปชัญญะก็คือสัมปชัญญะบับพเพนั่นแหละเนี่ยนะ สัมปชัญญะบัพพาในอาการเจ็ดอย่างนั้นชีวิตของเราแบ่งแบ่งแล้วนะมีอยู่เจ็ดหมวดเจ็ดตอนด้วยกันหมวดที่หนึ่งก็คือการไปการมาไปไหนก็มาฟังธรรมนี่ไงนี่แหละอันนี้เรียกว่าไปมานะก็คือกิจใดๆที่จะต้องไปต้องมาเนี่ยนะกิจแรกก่อนเลยก็คือกิจกรรมที่จะต้องไปไหนมาไหนบ้างเอาสัมปชัญญะสี่มาสงเคราะห์ลงเนี่ยนะที่สองแหลเหลียว มองเนี่ยนะตาเนี่ยมองทําอะไรเนี่ยนะสมมุติยกตัวอย่างเราจะอ่านหนังสือเป็นต้นเนี่ยนะหนังสืออะไรที่ควรอ่านไม่ควรอ่านในบรรดาหนังสือทั้งหมดนับตั้งแต่หนังสือพิมพ์จนถึงพระไตรปิฎกเนี่ยนะในหนังสือเหล่าไหนที่ควรอ่านนะเมื่อจะต้องใช้จกักรคูวิญญาณแล้วหรือว่าดูทีวีเนี่ยรายการใดควรดูฟังวิทยุรายการใดควรฟังอันนั้นคือกิจของศาสกาะสัมปชัญญะกลางนะ แต่แล้วถ้าได้สาทธกะและวสปายะเป็นต้นก็จะตามมาโครจระเป็นต้นก็จะได้ติดตามมาอีกนี่ก็คือหมวดที่สองหมวดที่สามขณะที่ทําอะไรนุ่งหม่มเนี่ยนะนุ่งห่มทั้งหลายแล่นี่นะเกี่ยวกับการแต่งตัววังนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวเนี่ยนะทั้งกาถ้าของพระเนี่ยนุ่งนุ่งจีวรถือบาทอ่าทรงจีวรบาทสังขาติเนี่ยนะถ้าของพระ ของเราก็คือเกี่ยวกับเครื่องนุ่งหม่มเครื่องแต่งตัวทุกชนิดนั่นเองเนี่ยนะประโยชน์ของการแต่งตัวคืออะไรสาตกะเข้ามาแล้วจะได้รู้ว่าเออผ้านี่สัพพะยะไหมนะเป็นต้นนะก็จะสามารถวินิจฉัยโดยสัปพชัญญะสี่ทีนี้หมวดต่อไปก็อะไรขบกินใช่ไหมเรื่องเรื่องปากเรื่องท้องอะไรกันนี้เข้ามาแล้วก็ต้องกินดื่มเคี้ยวลิ้มเนี่ยนะก็มีอยู่เท่า น, นี้แหละสาตกะ ของสิ่งนั้นๆก็ใส่ลงไปอันนี้ต้องมันต้องฝึกจริงๆนะเพราะให้เกิดเองนี่ไม่เกิดแม่เพราะว่าเกิดมาปล่อยมาตลอดเลยนี่นเสร็จแล้วเมื่อกินเสร็จทําอะไรต่อก็เข้าห้องน้นะะําแล้วนกิจในการเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจระปัสาวะและ้ว น, นี้ต้องฝึกอีกประโยชน์ของสิ่งนั้นนั้นคืออะไรนะสัมปชัญญะสี่ใส่ลงไป นะนับตั้งแต่การแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำเป็นต้นเลยนะกิจในห้องน้ำทั้งหมดเนี่ยต้องฝึกสติทั้งหมดเลยนะแล้วต่อไปอีกอ่นนะนะละเอียดลงมาอีกก็คือยืนเดินนั่งนอนเตินเตินแล้วก็หลับพูดนิ่งนิ่งแบบคนมีสัมมาชัญญะเพราะทุกกิริยาตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยนะฝึกหมดเลย นะ ถ, ถ้าหากว่าเราจะฝึกอย่างนี้นะเอ๊ะทีแรกธรรมะเนี่ยฟังมาเยอะแยะไปหมดเลยนะพอจะเอามาใช้เป็นการเป็นงา น, น, นกระชายันเยน็นเอ็มหายไปไหนหมดนี่ธรรมะนึกไม่ออกเลยนะมันจะต้องเอามาฝึกลักษณะนี้เลยถ้าถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้นะรู้สึกว่านึกไม่ออกเลยว่ามันจะไปปฏิบัติยังไงอโดยเฉพาะเรื่อง <c oughs> การการกินการดื่มการลิ้มเนี่ยนะคร เถ้าเราถ้าเราสามารถมีมีมสตินะฮะสัมปชัญญานี่มีความสําคัญมากนะโดยเฉพาะสมัยนี้นะผมเห็นคนกินอาหารจนตายมีครับนะกินอาหารจนตายครับกินอาหารแล้วโรคภัยไข้เจ็บนี่มาเปียดเบียนมากมายมากมายจริงแล้วเราก็ถ้าเราปล่อยไปจริงๆรนี่นะเราก็กินไม่ยั้งกันนะถ้าเกิดถ้าเราไม่ไม่รู้สึก ไม่รู้สึกละอายหรือว่าไม่รู้สึกโทษภัยนะฮะโอ้เรามีเงินน่ะจะกินอาหารแบบไหนล่ะสารพัดต้องกินได้นะแต่ทําไมเราไม่กินนะเพราะว่าเราเห็นโทษนะ อ, อันนี้เนี่ยนอกจากสาสตรกาศาาัญธุ้ายอะไรยังมีสปายะอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนะจนพานเกี่ยวกับเรื่อง ส, สปายะเ<า>ข้ามาเพราะฉะถ้าหากว่าเราไม่ฝึกไปนะถ้าไม่ฝึกแล้วอยู่ๆพูดไปหาฤยาศาสตร์เลยเนี่ยมันมันมั น, มนไม่รู้จะเอากุศลอะไรมารองรับอะ่ะ เพราะว่าการฝึกสติเนี่ยนะทั้งเจ็ดหมวดเลยเนี่ยคือเรื่องของศีลก่อนและชั้นต้นเลยว่าเราสามารถล่วงโทษอะไรได้บ้างนะกุศลจิตเราจะเกิดทีแล้วใช่ไหมตั้งแต่เช้าจนเย็นในพระสูตรสูตรหนึ่งท่านบอกว่าสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าเนี่ยนะยืนเดินนั่งนอนทำกิจต่างๆเนี่ยทำที่ไหนทำบนแผ่นดินอาศัยแผ่นดินแล้กิจนั้นๆเนี่ยนะสะสับผัทั้งสเท้าสองเท้าอะไรต่างๆเลย ภิสูุในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันอาศัยศีลและเจริญโพธชงเจ็เพราะว่าไอ้กิจของสติที่ว่าไปเมื่อกี้ก็คือสติสัมโพธชงต้องได้รับฝึกตั้งแต่เช้าจนเย็นเคยได้ยินนะพึงมีสติเว้นรอบเวนบนะ้เเวนรอบก็คือเคยเห็นวงกลมไหมไม่มีขณะไหนที่ไม่มีสติะนะมีสติรอบหมดเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นอะไม่ไม่มีขณะไหนที่ไม่มีสติ อ, อนนะัน ก็เรียกว่าปฏิบัติจนได้วงกลมนั่นแหละฝึกทุกกิริยาอาการฝึกทุกอิริยาบถในในกายกรรมวิจีกรรมเนี่ยนะการขยับตัวทั้งหมดเลยนะคำพูดทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีคําสอนเนี่ยกำกับหมดเลยโดยที่มีพระธรรมมาเป็นธรรมะเป็นเครื่องฝึกเสร็จ แ, แล้วทวารรับตาหูจมูกเล้นกายใจเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารนี่จะต้องได้รับการวินิจฉัยจนทั้งหมดอีกนะ่นนะ เพราะฉะนั้นบางคีเนี่ยนะพระองค์พระองค์พูดถึงกายนี่เหมือนเรือนะตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยถ้าไม่ดีก็เหมือนเรือรั่วนั้นคนที่จะจับพายเรือให้ถึงฝั่งเนี่ยนะจะต้องอุดรูห่อทั้งหมดเลยนะในทั้งหกทวารเนี่ยต้องอุดรูไม่งั้นเนี่ยซสมเข้าอนะ่ะเนึกถึงว่าอยู่เครอยู่ที่เกาะมาอยู่ที่เกาะเนี่ยมีเรืออยู่ลำหนึ่งทีมร่วมต้องคอยวิ่ดเรื่อ ย, ยถ้าไม่อุดเนี่ยก็ต้องมานั่งวิ่ดแต่น้ําอย่างนี้แหละไม่ต้องทําอะไรแล้ว วิทแต่เรือนั่นแหละนั่นแหะนั่งไปวิทไปนั่งไปวิทย์ไปแทนที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนไะไม่นั่งวิทเรืออย่างเดียวเกิดจากอะไรก็เรือมันรั่วเราเมื่อปล่อยใจเป็นไปกับอกุศลตามองเห็นหูได้ยินก็มานั่งแก้ปัญหาอากุศลที่ทําไปนั่นแหละ <c oughs> สังเกตแล้วหลายครั้งเราจะมีเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยนะมาให้ตึก สมัยนั้นเคยไปอยู่ทุ่งนานั้นสมัยนั้นเคยไปอยู่วัดตรงนั้นสมัยนั้นเคยเดินไปตรงนั้นเนี่ยนะภาพเหล่านี้จะมาหมดเลยถามว่าทําไมภาพเหล่านั้นจึงมาก็ตอนนั้นมันไม่มีสติอะพอมันไม่ไม่มีสติเนี่ยก็คือไม่ได้รับการอุดอะ่ะนั้นปัญหาเหล่านั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นภาพเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาในมนโนทวารวิถีทั้งหมดเลยถามว่าปัญหาเหล่านี้แก้อย่างไร นะถ้าเราไม่แก้อีกเดี๋ยววันหลังจะมาอีกนะความคิดเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งชีวิตของเราเนี่ยนะจะเข้ามาทั้งหมดเลยจนกว่าเราจะได้รับการแก้ไขแก้ไขก็คือเมื่อเหตุอารมณ์ใดปรากฏเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ในอดีตก็ตามนึกถึงคําสอนสักอย่างหนึงในขณะนั้นก็เริ่มเริ่มอุดปัญหาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยในในมโนทวารวิถีก็เริ่มอุดจิตก็เริ่มเป็นไปกับกุศล เพราะว่าการเจริญกุศลเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีไม่ห้ามคิดอยากคิดนะไม่มีมีแต่ว่าคิดอะไรควรคิดอย่างไรคิดด้วยโยนิสมนานัิการเป็นต้นนั่นนะคิดอะไรก็คิดเถอะแต่ว่ามีโยนิสมนานัิการสามารถคํานึงว่าคิดอย่างนี้แล้วมีโทษอย่างไรคิดอย่างนี้แล้วมีประโยชน์อย่างไรถ้ามีประโยชน์ เป็นประโยชน์กับคำสอนหมวดไหนบ้างเนี่ยนะคนนี้ต้องต้องวินิจฉัยทั้งหมดเลยดังนั้นการฝึกในสัมปชัญญะทั้งเจดหมวดเนี่ยนะสำคัญมากเลยในเบื้องต้นเลยถ้ามไม่เกิดทำไงสมาทานเอาเนี่ยนะตั้งใจเอาก่อนนะตั้งกัดเวลานี้ถึงเวลานี้เวลานี้ถึงเวลานี้อย่าไปฝึกยาวเลยฝึกสั้นๆก่อนยกตัวอย่างเช่นเราจะนั่งฟังทมแบบมีสติอย่างเงี้ยนะ คำหนึ่งหนึ่งประโยชน์ของการฟังจับประเด็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็เริ่มฝึกตั้งต้นนะก็บอกว่ายินดีนับหนึ่งเสมอเถอะนนะผมขอแนะนำนะเรื่องทานอาหารเพราะว่าผมได้หลายทีแล้วทานอาหารทานมากไปน้อยไปอีกชามไหมหยุดอยู่แค่นี้นะอาหารควรจะเลือกยังไงอะไรย่างเงี้ยนะโอ้ดีนะครับเชิญทานแล้วก็ทานเพื่อที่จะมีชีวิต คิดไปยาวนินนะทานเพื่อที่จะมีชีวิตเพื่อที่จะมาประพฤติพรหมจรรย์ให้ยาวนานทั้งหมดอันนี้เจ๋วเลยหรืออีกในาย่านหนึ่งเนี่ยน ะ, ะเมื่อเมื่อเราคํานึงถึงประโยชน์ของอาหารแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็คิดอีกเออเนี่ยทานอาหารนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะโดยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยชาวนะอะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะนั้นเนี่ยทํายังไงจะให้มีชาวนะเป็นกุศลสลับบ้างเออทานเนี่ยนะ สูตรของเราก็มีทานศีลภาวนาเอ๊ะทานยังไงจะเป็นทานอย่างเงี้ยใช่ไหมให้กุศลมันเกิดสลับสลับลบ้างก็ยังดีหรือกุศลละศีลเกิดขึ้นได้ไหมในขณะนั้นๆๆๆๆให้เอาทานศีลภาวนาคิดหากุศลสักอย่างหนึ่งมาตรึกในขณะที่ทานอาหารไปอันนี้ก็เริ่มฝึกให้เป็นกุศลแล้วอันนี้เมื่ออาหารผ่านไปจนทีนี้จนกว่าจะเก็บกวาดเช็ดถูล้างเนี่ยนะก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเศษอาหารเนี่ยนะ ถ้าเทไปประสงค์ว่าเออพวกสัตว์เล็กๆในน้อ ย, อยกินก็ยังมีผลมากมีอ น, นิสง์มากเลยถังก็นึกถึงขนาดนั้นก็ทำกุศลต่อไปอีกหรือไม่ก็จเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเลยนะอาหารทีแรกเนี่ยโอ้กลิ่นหอมเลยพอคนเข้ามากินกลายเป็นของปฏิกูลเลยไม่มีใครอยากเก็บอยากเค็อยากล้างละก็จะเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาต่อไปก็ได้นี่นะสงสัยว่าจะทานได้น้อยลง กิเลสกิเลสเกิดกิเลสเกิดน้อยลงเหรกิเลสเกิดน้อยลงใช่ก็ดีเหมือนกันฮะใช่และอีกอย่างหนึ่งคือคือชีวิตของเราเนี่ยนะมันเป็นชีวิตแบบที่ใช้ไปในวัฏฏะส่วนใหญ่เกิดที่ที่ที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเห็นภายในวัฏฏะเนี่ยน้อยมากเห็นไหมถ้าเขาไปไปวันก่อนเนี่ยนะไปแม่วางเนี่ยดีมากเลยที่ฝรั่งเขาไปล่องแพ ทำไมไม่ล่องไปเรื่อยอ่ะแล้วก็นึ ก, ก น, นะทําไมพอมาถึงจุดนี้เราต้องขึ้นบกเพราะถ้าล่องไปเนี่ยตกเหวตายแนย่ช่วงไหนเป็นน้ําตกช่วงไหนเป็นอะไรเป็นต้นเนี่ยหมายถึงว่านั่นแหละคือชีวิตสังสารวัตของเราก็เหมือนกันทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยนะเจริญกุศลธรรมเพื่อให้ขึ้นบกเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยชีวิตเราไปอย่างนั้นเนี่ยเหวแน่อะไรคือเหวบ้าง เนี่ยนะบินว่อนเนี่ยเห็นไหมโย่ถ้าวันไหนฝนจะตกในเริ่มเยอะแล้วเริ่มบินว่อนนั่นไหนญาติๆของเราทั้งนั้นแหละญาติๆของเราทั้งนั้นแหละนั่นแหละเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเผลอเมื่อไหร่นั่นคือที่ไปของเราอันในเรื่องอบายสีเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เจริญให้มากๆเพราะเป็นสังเวกขวัตถุจะได้รีบเร่งเจริญกุศลให้เต็มที่นะถ้าไม่งั้นเนี่ย พยายามมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ก็จะฉุดคฆ่าเราไปเห็นไหมเพราะว่าขณะเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาขนาดนี้แลนะ้วเนียมีศรัทธาด้วยอวัยวะก็ไม่พิการสุขภาพก็พอได้ถ้าเรายังกุศลจิตเราอ่อนขนาดนี้เนี่ยสังเวชเธอว่าครั้งหน้าต่อไปเนี่ยกุศลเราจะอ่อนกว่านี้อีกเห็นไหมขนาดตื่นภัยขนาดนี้กุศลจิตยังเกิดเท่านี้เอ ง, องนั่นเอ ค, คือเราอย่าไปเทียบกับคนพิการ น, นะเราคลานได้เนี่ยนะคนพิการกระดิกไม่ได้เลยเราก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเทียบอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ดีเพราะเราเอาคนไม่ดีมาเป็นอนุสติทําไมสังท่านจึงให้เจริญสังขานุสติเนี่ยนะทั้งคนที่ที่เป็นตัวอย่างในความคิดของเรานะถ้ามีศรัทธา น, นึกถึงพระวกกะรีเลยพระวักกะลีมีศรัทธามากถ้าพูดถึงความเพียร น, นึกถึงพระ ความเพียรพระโสนะพระโสนะที่ดีดพินเ น, นที่ท่านเนี่ยนะสุขุมาลชาติจนขนาดว่ามีขนงอกที่เท้าอ่ะบวชมาเดินจงกรมเนี่ยเดินจนเลือดอาบเลือเนี่ยนะตอนหลังพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องพินสามสายเนี่ยนะแล้วก็พระโสนะก็อาศัยอุทาหอนนั้นนั้นท่านก็ปฏิบัติ ร, รมแล้วก็บรรลุถ้าพูดถึงสติพระนันทะหรือพระอนนท์เป็นต้น พระนันท h เนี่ยนะเวลาจะเหลียวไปในทิศตะวันออกพระนันทะ a แบบคำหนึ่ก่อนเลยประโยชน์ของการแลเหลียวคืออะไรท่านจะใคร่ควรหมดในทุกทิศที่ท่านมองเนี่ยพระนันท h นะถ้ า, นะถาสมาธิอย่างเนี้ยพระองค์ไหนที่ท่านชํานาญในเรื่องสมาธินะยกตัวอย่างพระมหาโมคคลานะเป็นต้นปัญญานึกถึงภาษารีบุตรสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราควรคิดให้มากๆากเห็นไหมท่านคนทั่วไปจึงไม่ใช่อนุสติ คนทั่วไปนะเอาไว้เจริญมรณานุสตนะิเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ควรคิดเพราะคิดแล้วอภิชาและโทมณนัจะเข้ามาทันทีเขาไม่มีความดีอะไรให้เป็นอนุสติหรอกนะพะงศ์ยังสอนถ้าคิดถึงคนทั่วไปนะพรหมิหารสี่หรือมรณ า, านุสติเนี่ยนะนะคิดด้วยพรหมิหารสี่เพราะในหนึ่งอารมณ์นะต้องสามารถนึกถึงคำสอนให้ได้เนี่ยนะรารบนึกถึงคาสอนให้ได้ แต่ว่าเบื้องต้นไม่มีใครทำได้แต่เขาฝึกได้นนะถ้ายเรายัางอยู่อย่างนี้นะถ้าเราไม่ได้เป็นทหารเนี่ยเราจะอาจจะนึกเอ๊เขาฝึกได้เลยนี่นะแต่เขามีคนฝึกได้แล้วก็เขาก็ฝึกแล้วได้เป็นทหารแล้วด้วยเนาะ <c oughs> มีตัวอย่างเลยนั่งอยู่ตรงนี้ใช่เ <c oughs> ขาฝึกจนสำเร็จแล้วอ่ะใช่ไหมคือทหารนี่นะฮะเรานึกไม่ถึงว่าเขาจะฝึกเราได้ขนาด น, นั้นนะโดยเฉพาะไปฝึกไอ้หลักสูตรที่มัน ทานลุนหน่อยนะไอ้จูโจไม่โดดล้มทุเนี่ยโอ้ยมันเรานึกไม่ถึงว่ากลางคืนสองยามเนี่ยต้องเดินข้ามเขาลุยป่าลกชัดลุกเต็มไปด้วยน้ําแล้วหมามุ่โอ้ยเยอะแยะเลยเนี่ยที่จังหวัดลบบุรีเรานึกไม่ถึงว่าจะทําได้อย่างนั้นมนุษย์แต่ทาได้โอ้ไม่นอนนึกไม่ถึงเลยนะว่าจะทําอย่างนั้นได้นะ เขาชันเดินยิ่งไปเนี่ยแล้วก็เดินลงมาเนี่ยโอ้โหทารุณจริงทักเคยด้วยนะมาให้อออมเนี่ยเอาดินเนี่ยนีาเชื่อเขาเขาฝึกได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นคําสอนของเราเนี่ยนะถ้ามีศรัทธาเชื่อว่าเมื่อฝึกสําเร็จในในศาสนาแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าโสดาปฏิมรักษ์เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิยังไงเั้นผลเนี่ยแตกต่างกันมากอันถ้าเราไม่ฝึกอีกแย่แน่ชีวิตนี้ทุกแน่ เพราะฉะนั้นในชั้นต้นเลยนะเรื่องการเจริญสติก็คือหนึ่งสัมปชัญญะสี่เนี่ยต้องแม่นเน่ยนหมูดที่หนึ่งนะสองเขาบอกว่าถ้าอยากมีสตินะหลีกเลี่ยงคนหลงลืมสติเนยพวกที่ชวนเพอร์เจอร์เป็นต้นเนี่ยนะหลีกได้หลีกเลยเนี่ย น, นะพวกที่มีสติก็เพอร์เจอร์เนี่ยเป็นกุศลศีลไหมอะไรนะโอยพูดมาตั้งปีนึงแล้วเนี่ยมีใครบวนเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดละ ไม่หวังมากนะเนี่ยนะหลีกเลี่ยงต้องพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเราไม่หลีกเลี่ยงเนี่ยอย่างไรก็ถ้าพูดเพรสเชอเมื่ อ, อไหร่ล่วงกรรมบวชแล้วนะให้ผลนําเกิดได้แล้วนั้นคําพูดที่เราพูดหนึ่งคำนั่นคือภพของเราเนี่ยนะเราเรากําลังพูดอะไรอยู่ภพนั่นแหละคือทิศทางของเราพูดหนึ่งคำคือภพใหม่หนึ่งภพอ่ะ น, นะสามารถให้ผลนําเกิดเลยนะในคําพูดเหล่านั้นนั้นเนี่ยล่วงล่วงมาเป็น วัจีกรรมเนี่ยนะเพอร์เชอร์เป็นต้นเนี่ยเป็นวจีกรรมไปแล้วผมนึกถึงว่าเพลงทั้งหลายนี่เป็นเป็นสัมผัสปรปรวาจาเนี่ยพอเราเนื้อมาเอาเนื้อมาท่องดูมาดูแล้วเนี่ยนะเราเห็นเลยโอ้มันเป็นสัมผัสปราะปะจริงๆนะเ <c oughs> ออมันเป็นจริงๆนะอ่านเะปรียบเทียมหน้าน้องเหมือนดวงจันทร์เนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> มันเหมือนเหมือนยังไงเหมือนดวงจันทร์ถ้าเป็นดวงจนันทร์จริงๆ จ, จะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเป็นดวงจันทร์อย่างเงี้ยเอากลมบักเงี้ชอบไหมไม่เชิงว่าจะชอบนะก็ก็ะทาราคาไม่แตกนะมีอะไรดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็อย่างว่านะเป็นเคลียงครวนจากคนเมา remembered. เพราะงั้นราคามันยอมก็มเมาก็ว่าไปเรื่อยนั่นน่ะรักกันอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปเห็นที่ศาลเนี่ยนะฟ้องคดีฟ้องร้องอย่นั้นเลย ถ้ามันรักกันจริงๆจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเนี่ยแต่ทีนี้มันก็อย่างว่าเวลาเมาทิ้งก็เออดีทิ้งสั่งเมาว่าใหม่อีกเพราะฉะนั้นการเจริญสติพยายามที่จะหลีกเลี่ยงคนที่หลงลืมสติเนี่ยนะไปนั่งกับคนบางคนเนี่ยนะชั่วโมงหนึ่งแล้วกุศลไม่เกิดสักนิดเลยอ่ะแล้วคนอย่างนี้เนี่ยต้องวิจัยแล้วก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเนี่ยนะเร่อไม่ก็ฝึกฝึ ก, กเรียกว่าถ้าหากว่า กุศลเราไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะเราก็ต้องนึกถึงโทษเนี่ยนะถ้าเราต้องเกี่ยวข้องกับเขาเหล่านั้นอยู่แล้วเราก็ต้องเพิ่มพูนกุศลของเราขึ้นมาเองนะเราอย่าไปคอยจัดแจงคนอื่นเลยนะแล้วก็ข้อที่สามก็คือคบบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นนะคนที่พูดปรารบสติบ่อยๆเนี่ยนะเราต้องหมั่นคบเขานะเพราะในในพระสูตรหลายแห่งกล่าวถึงว่าธรรมดา อย่างอุบาสกเนี่ยก็ควรแวะเวียนไปหาพระภิกษุเนี่ยนะที่ที่บำเพ็ญอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดตามการอันสมควรเนี่ยนะเพราะเราพอเราไปเกี่ยวข้องกับท่านเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะเราก็จะเริ่มตื่นตัวขึ้นพอไป อ, อีกเลิมเอกเจอหน้าเอกนึกหน้าเอกก็ก็แวะเวียนไปหาเรื่อยๆเนี่ยนะก็คือแวะเวียนไปหาผู้ที่เขาฝึกสตินั่นเองเนี่ยนะฝึกสติเป็นไปตามคําสอนแล้วก็ข้อที่สุดท้ายน้อมใจเพื่อให้สติมันเกิด น้อมใจไปให้สติเกิดคือยังไงก็คืออธิษฐานเป็นต้นอ่ะอธิษฐานที่จะให้มีอ่ะนะยกตัวอย่างตั้งอ่ะอ น, นะอย่างถ้าเราออกจากนี่ไปยนะเอ๊ขับรถไปนี้จากนี้ถึงบ้านจะเจริญกุศลอะไรได้บ้างจะฝึกอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นบ้างจากนี้ไปเนี่ยนะก็แล้วพอถึงบ้านแล้วก่อนจะถึงเวลาหลับเนี่ยนะสามารถเจริญกุศลอะไรได้บ้างให้เล็งถึงประโยชน์ที่จะทําไปก่อนไม่ใช่ไปเจอปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเออคิด เห็นอะไรก็คิดเรื่องนั้นทีเห็นอะไรก็เรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าถ้าอย่างนี้แย่ น, เน่เห็นไหมเพราะพวกนี้ต้องหมั่นศากกะคํานึงถึงประโยชน์เลยจากนี้ไปหลับทีนี้จากก่อนจะหลับไปจนถึงตื่นเนี่ยได้รับการวางแผนไว้แล้วนะเรียกว่ามีสติก่อนหลับใช่ไหมจะหลับก็มีสติก็คือคํานึงก่อนที่จะหลับเนี่ยน ะ, จะเจริญกุศลแล้วหลับไปแล้วตั้งเวลาตื่นไว้ด้วยว่าควรจะตื่นเวลาไหนถ้าตื่นมาแล้วปุ๊บ จ, จะเจริญกุศลอะไรต่อไปอีก ไปจนถึงเวลาลุกขึ้นจากที่นอนแล้วลุกขึ้นไปแล้วจะไปเจริญกุศลอะไรได้บ้างก็ต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆผู้ที่ฝึกประสบความสำเร็จก็มีอยู่อไม่น่าเชื่อว่าการฝึกอย่างนั้นนี่นะครับอย่างเราเนี่ยจะทำได้อย่างนั้นทักแค่ไหนนะแต่ว่าก็คงจะต้องเข้าใจว่า ฝึกได้ฝึกได้แน่นอนเช่นพันแล้วก็เรามาเรามาคิดดูนะผู้ที่จะบรรลุมรผลได้นี่ต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตตัวเองนะคงไม่ปล่อยเหมือนสวะลอยไปเต้งเต่งเตงเต่งแบบนั้นอนะ่ะใช่คงต้องมีระเบียบมีวินยัยต้องอยิ่งยิ่งกว่าทหารหลายเท่าเราคิดดูนะว่าอการประพฤติพรหมจรรย์นั้นถ้าหาวา่าบุคคลตั้งใจประพฤติเนีนะ่ย เป็นอาชีพที่ไม่มีเวลาเผอเลยนนะการการประพฤติพรหมจรรย์อาชีพอื่นนะหากินเลี้ยงสักวันสองวันเออลืมงานลืมอะไรก่อนใช่ไหมไปสนุกไปอะไรก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ได้นีแต่เป็นพระไม่ได้เลยเห็นไหมถ้าไปปล่อยจิตเป็นอกุศลชั่วโมงหนึ่งเนี่ย น, นะมานั่งแก้ปัญหาครึ่งเดือนอนะบางทีเห็นไหนะบางท่านเนี่ยถึงกับไปปล่อยกายปล่อยใจให้กับเป็นอบัติเนี่ย น, นะบางทีแก้ปัญหาครึ่งเดือนแล้วยังไม่เสร็จเลย เนี่ยนะไม่ได้หลุดจากความเป็นพระนะก็ยังเป็นนั่นแหละแต่แก้ปัญหาด้วยการอยู่ปริวาสเป็นต้นเนี่ยนะบางองค์เนี่ยพอไปปล่อยใจเป็นอบัตเข้าเนี่ยเดินทางรอนแรมไปเพื่อจะแก้อบัตอันนั้นเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ของง่ายนเผลอไม่ได้เลยในชั้นศีลก็เผลอไม่ได้ถ้าปล่อยจิตเป็นอาคุศลเมื่อไหร่นะก็นึกถึงได้เลยนึกพระสูตรที่พระ อ, องค์กล่าวถึงไม้ฟืนเผาศพไม้ฟืนไม้ฟืนเผาผีเนี่ยนะ หัวท้ายไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนขี่หมา <c oughs> เปื้อนคู่เห่างนั้นเด็นั่นแหละเพราะอะไรประโยชน์ทางโลกก็ไม่ได้ประโยชน์ทางทํากุศลและจิตอันนั้นก็ไม่เกิดอันพระองค์เนี่ยสอนให้มีความเพียรตลอดเลยนะมีความเพียรมีความพยายามบากบั่นตื่นมาแล้วก็ยังต้องบอกว่าจิตต้องเป็นกุศลอีกนะถ้าตื่นมาแล้วเธอจิตไม่เป็นกุศลก็ชื่อว่าหลับอีกเพราะฉะนั้นฝึกตลอดเลย ทีแรกๆเนี่ยนะเราเรายกตัวอย่างธรรมดาเลยนะถ้าบอกว่าโอหของที่นี่จะมีฟังธรรมทุกวันตอนเย็นเนี่ยนะคงไปไม่ได้หรอกแรกๆเลยนะลองคิดนะคงไปไม่ได้นานคงไปได้ชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเอาหนักๆเข้ามาได้กันสักวัน <laughs> นั่นแหละถ้าเราได้รับการฝึกเลยนะต่อไปเนี่ยถ้าเราเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราจะเริ่มฝึกแต่คนที่ฝึกอย่างนี้ไประยะหนึ่งนะมันจําเป็นต้องฝึกที่กล่าวว่าจําเป็นต้องฝึกเพราะอะไร เพราะถ้าจิตไม่เป็นกุศลชักทุกข์และวนะคนที่เจริญกุศลได้ติดเนื่องระดับหนึ่งนะถ้าปล่อยปล่อยจิตเป็นไปกับหลบพระชั่วโมงหนึ่งนละ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นไปฟังอะไรเข้าคุยคขำๆหัวเราะชั่วโมงหนึ่งเลยเพลินๆชั่วโมงหนึ่งเสร็จมานั่งทุกข์แล้วค่ะนี่เพราะไอ้โสมนัตที่ที่เราเกิดโสมนัตินั้นไม่มีมูธทุตาไม่มีกรรมัญญาตาไม่มีปาคุญยตาเนี่ยนะ อุปนิสัยแล้วเครียดละกุศลมาจิตไม่เกิดวิปฏิสารก็จะเกิดขึ้นไหมล่ะทีนี้เพียรแล้วทํายังไงจะแก้ปัญหาที่ไปนั่งเป็นอกุศลมาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ต้องมานั่งชําระเพราะไม่งั้นเจริญกุศลธร้วอย่างอื่นต่อไม่ได้เห็นไหมถ้าหนังสือพระไตรปิฎกเหมือนกันถ้ากาลมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นในยังไงก็อ่านไม่ได้เห็นไนมเพรา ะ, ะจิตที่ที่อ่านหนังสือแนวนี้ต้องเป็นเป็นกุศลพอสมควรเห็นไหมจึงจะอ่านได้เพราะก็เหมือนกับการเข้าไปใกล้ชิดภาษาสดา ถ้าใกล้ชิดพระศาสดาโดยที่จิตเราเป็นอกุศลเราก็ไม่กล้าเข้าหาท่านนะเนอะะก็เหมือนกับลูกที่มีความผิดก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาพ่อแม่เท่าไหร่นะฟุ้งซ่านไปสมมติวาถ้าจิตไม่จิตฟุ้งซ่านนะมีทุลัอะไรม้างๆนะอ่านก็อย่างนั้นน่ะจนอ่านเพราะศัพท์ละว่าอ่านนะอ่านแล้วก็ไม่ค่อยจําไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็แต่ก็อ่านไปอีกอะแข็งใจอ่านไปอีกก็หลายครั้งละบ้านที่บ้านเกิดจริงๆเนี่ย กลับไปทีไรเนี่ยพกพระไตรปิฎกไปด้วยเลยเนี่ยโอหจะไปอานะ่านนั่เต็มที่เลยอะ่ะไม่ไ อ, าอ่านนะเดี๋ยวคนโน้นมาคนนี้ไปเดี๋ยวก็คุยกันบ้างเดี๋ยวก็นั่งนึกถึงเออสมัยนั้นเราไปตรงนั้นตรงนั้ น, นกันกนึกอา่านไม่รู้เรื่องแล้เนี่ยที่เราเคยไปสังเกตดูที่อื่นเนี่ยสูตรเดียวกันที่อื่นนี่เราอา่านโอ้ยซึง้งมากสงบดีมากพอไปอ่านอีกที่หนึ่งไม่เ ด, ด็กงานในการอะไรเลยะสูตรที่จําได้แล้วก็ยังจะหลงหลงลืมๆืมอ บางแห่งเนี่ยที่ไม่สปายะนี่จะเป็นในลักษณะนั้นจริงๆริเราก็ถ้าเราฝึกเจริญกุศลบ่อยบเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นสปายะและไม่เป็นสปายะถ้ากุศลจิตเกิดบ่อยนะคนที่ฝึกเจริญกุศลจะรู้ว่าถ้ากุศลจิตไม่เกิดเนี่ยอยู่เป็นทุกข์จริงๆริอย่างอย่างผู้ที่มาศึกษาพระธรรมร่วมกับเราที่นี่อยู่ท่านหนึ่งนะก็บอกว่าผมเนี่ยถ้ากุศลจิตไม่เกิดสักชั่วโมงหนึ่งผมทุกข์แล้วนะเขาบอกวมันเครียดขึ้นมาเลยเขาว่ามันต้องพยายามหาอะไรคิดให้เป็นกุศลก่อน ปล่อยไม่ได้เลยคุณบุญชูนั่นแหละเพราแกแกตรึกธรรมะเยอะและตอนหลังเนไคิดเป็นคําสอนเป็นพระสูตรคิดได้ยาวมากนะคิดได้เป็นชั่วโมงยี่หโมงเนี่ยนะคิดทีนี้ถ้าว่างๆไปธุระที่อื่นเนี่ยนะขับรถไปเผลอไปไม่ได้ตรึกธรรมะเนี่ยนะพักหนึ่งแล้วชักเครียดละวต้องหาธรรมะมาคิดเห็นไหมก็คุยกันประจําอยู่เออมันมันเป็นลักษณะนะั้นแล้วของมาเนี่ยเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้ว ถ้าไม่ไม่คิดธรรมะเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวทุกข์ละเสร็จแล้ ว, ลวถ้าไปพูดอะไรเผลอมไม่ไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยต้องมาสมาทานใหม่นะโอ้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ขอพูดอย่างนั้นอีกแต่ถ้าไม่สมาทานไม่ตั้งใจอีกนะวันนั้นทั้งวันเนี่ยไปกุศลจิตแทบไม่ค่อยเกิดเลยอุทัจะเล่นงานแล้วอุทธจะกักูกูจกจะเข้ามาเล่นงานและนั้นจะต้องมันเพียนจริงๆอเผลอปล่อลยใจไม่ได้นะถ้าหากว่า มีในสังคาติสูตรเนี่ยนะสังคาติกันสูตรสูตรที่ว่าด้วยการจับชายสังคาติของพระพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าภิกษุที่ไม่สำรวมอินทรีย์เป็นต้นเนี่ยนะก็คือปล่อยใจเป็นไปกับบาปกับอกุศลเหล่านี้เนี่ยมีราคะกล้า ม, มากไปด้วยพยาบาทเป็นต้นคนเหล่านั้นถึงจะเดินติดตามพระพุทธเจ้าทุกย่างก้าวก็ชื่อว่าห่างจากพระองค์และพระองค์ก็ชื่อว่าห่างจาก ภิกษุเหล่านั้นด้วยเห็นไหมในอารหันบทหนึ่งที่ว่าไกลจากไกลจากคนมีกิเลสอย่างนั้นเนี่ยพระอรหันนี่ชื่อหนึ่งความหมายหนึ่งก็คือไกลจากคนมีกิเลสใกล้กับคนดีๆใกล้กับคนมีศรัทธามีศีลใกล้กับพระเสขาบุคคลเป็นต้นพระอารหันเนี่ยใกล้กับพระอารหันด้วยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยใจเป็นไปกับกุศลแล้วลำบากละกุศ ล, ลจิตไม่ค่อยเกิดถ้ากุศ ล, ลจิตเราเกิดอ่อนนะเราจะประมวลพระธรรมไม่ได้ สรุปมาเป็นพระธรรมไม่ได้ถ้าสรุปไม่ได้นะสูตรนั้นๆเราเอาไปปฏิบัติตามไม่ได้เจริญกุศลรรจิตไม่ได้เลยเสร็จแล้วก็ชักชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์ละอ่านพระสูตรเมื่อไหร่อ่านเรื่องอบายก่อนไหมใครจะไปถ้าเราไม่ไปใช่ไหมอบายเนี่ามีไว้ตํำรับอะไรเพราะอะไรเที่ยกล่างอย่างนี้เพราะเหตุเราทําไปแล้วเนี่ยนะถ้าเราเออเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะไม่ต้องเอาอภราระเบียเวยธนิยกรรมในอดีตชาติหรอกอาชาตินี้แหละอุปชาเวทนิยกรรมเนี่ย มันได้น้อยๆเลยอ่ะนีนะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยไฟายนรกอาจจะไม่ค่อยร้อนก็ไม่เป็นไรเนีนะความนึกถึงชาดกอยู่เรื่องนึงก็บอกว่า <c oughs> ลูกเขาจะออกบวชเนี่ยนะก็บอกว่าพ่อผมเนี่ยชาตินี้ผมทําบาปไปมากแล้วนะ <c oughs> จริงๆพ่อเขาเนี่ยเป็นพระราชาจะให้ลูกเนี่ยปกครองราชสมบัติอนะเสร็จแล้วลูกเนี่ยพอไม่มีสมณะพรามณแนะนําสั่งสอนก็ใช้ชีวิตเละเทะ ทีนี้ตอนหลังเนี่ยมีใจจะออกบวชมีใจจะออกบวชพ่อก็บอกว่าอย่าบวชเลยลูกเพราะงั้นย ก, ยกให้ครองราชสมบัติบอกว่าพ่อผมทาําบาปไว้เยอะแล้วนะไฟนรกเนี่ยไม่เล่นกับผมแล้วนะตอนเนี้ยพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหลายท่านอาจจะมีความสุขเอ้ไฟอาจจะไม่ค่อยร้อนหรือนึกว่าความตายเนี่ยอยู่ไกลเราเหลือเกินแต่จริงๆแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นลักษณะนั้นเลยอาหารเนี่ยถ้าอากุศลมันให้ผลนะแปรเป็นยาพิษทันทีเลย นะอาหาร ด, ดีนี่แหละแปรเป็นยาพิษอย่างดีเลยเหมือนกันนะรสงามๆนี่แหละอ่านนึกออกมันถือพิมพ์มันก่อนเนะนะตายไปกี่ศพนะโอ้จำแม่นมากจะเรินมรณานุสติได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีข่าวตายเรื่อยๆถ้ากรรมมันให้ผลเนี่ยนะอยู่ตรงไหนบ้างที่จะไม่ไม่ตายเนี่ยนะถึงจะอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรกรรมก็ยังตามให้ผลฮนะนะยังดิ่ง สมุดเลยจมตายในสมุดเลยก็มีถ้ากรรมให้ผลอยู่ในซอกเขาก็าตายถ้ากรรมจะให้ผลอยู่กลางแก้งก็ตายอยู่บนท้องฟ้าก็ตายนะถ้ากรรมให้ผลที่ไหนมั่งที่ที่ไม่มีที่สักตายมีไหมวันก่อนเนี่ยเดินเวลาเดินเนี่ยนะมแมลงก็บินเข้าตาใช่ไหมเข้าตาท่านสมทายอะ่ะ <c oughs> เราก็ออกมา ให้มันตายเนี่ยเอ๊ะแต่แดงว่าในตามยังเป็นป่าช้าเลยอะ่ะเออที่ ท, ที่ตาของเราก็พริบเข้ากับพริบออกตรงนั้นยังมีสัตว์จุติเลยเอานะึ <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสสแสดงทําอย่างนี้แหละกลางคืนเนี่ยนะช่วงนั้นมันเป็นหน้าหนาวหู้มแมลงมันเยอะที่เป็นร้อยได้ไม่บินเบนมีเข้าหูเฉยเลยแต่แล้วก็ตายเออที่หูของเราก็ยังเป็นที่อาศัยสัตว์ตายแล้วเคยหายใจแล้วมแมลงเข้าไปไหม อันนั้นสัตว์ก็ตายใช่ไหมแต่ถ้ายิ่งเป็นปากด้วยนะถ้าคนที่ทานอาหารเช่นกับกุ้งเต้นกุ้งอะไรของเขาเนี่ยนะ่ะนั่นแหละโหศพมันกี่ศพอยู่ตรงนั้นนะ่ะตายอยู่นั่นคือป่าช้าเป็นอย่างดีเลยแล้วที่มือของเราเนี่ยนะเนี่ยคือเพชรจฆาดดีๆนี่เองสัตว์ตายมากี่ร้อยตัวแล้วนะส่วนไหนม้างนะที่ที่ไม่อาศัยทําบาปทํำอกุศลเลยในในใ น, ในร่างกายของเราในส่วนของเราเนี่ยนะ ก็เหตุทําไว้ขนาดนั้นแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอันถ้าหากว่าเราไม่หนีเนี่ยนะชาวนะเราเนี่ยนะไม่ลืมเราแน่อันพื้นฐานของการเจริญกุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยกรร ม, มสกตาต้องต้องแม่นมากถ้าเราไม่มีกรร ม, มสกตาดีนะเราก็จะมองว่าเออล่องเรือนี่มันพลืนดีเหมือนกันนะเนี่ย น, นะล่องเรือไปหารักเลยคนนี้ไปเลยไปยาวเลยอ่ะเนี่ยนะไปไกลเลยกูก็ไม่กลับพระพุทธเจ้าเรียกก็ะเอาไป้ก่อนนะ แล้วก่อนทั้นั้นข่าพระองค์ยังไม่มีศรัทธาพระเจ้าข่าอย่างนี้หรืป่าเดี๋ยวรออีกระยะหนึ่งก่อนพระเจ้าข่าอย่างไงยอ้างเหตุผลตลอดเลยนะผู้ที่อินทรีย์อ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นจริงๆอ้างเหตุผลจนตัวเองทําดีไม่ได้อะ่ะหาเหตุผลที่มารองรับว่าฉันทําอกุศลนี่ไม่ผิดนะเพราะเพราะไม่มีฮีเรโอตาปะใจนี้ไม่รู้สึกอายต่อความชั่วกลัวต่ออกุศลเจตนาที่ที่ตัวเองคิดเนี่ย น, นะถามว่าบาปทั้งหมดอยู่ที่ไหน เจตนาของเราทั้งนั้นเลยหรือว่าเจตนาของเรานี่ไม่ชักนําไปปฏิสนธิในภพสามเพราะนั้นพระองค์อสอนในปุตตะมังสะสูตรนี่นะพระองค์บอกว่าเพิ่งเห็นมโนสันเจตนาหารเหมือนกับบุตรสองคนนี่นะฉุดข่าลงไปในหลุมฐานเพลงิงเั้นเจตนาของเราทุกๆเจตนาเนี่ยนะให้ผลเป็นวิบากและกรรมชรูปได้อย่างน้อยที่สุดเจตนาเหล่านั้นนะนะ ถ้าเป็นอกุศลถึงไม่ล่วงกรรมบทก็ให้ผลในทวิปจัจจ์เนี่ยนะให้ผลเป็นจากครูปัญญาเห็นสีที่ไม่ดีขนาดฟังธรรมก็ยังเห็นสัตว์ในอบายเนี่ยนะฟังธรรมอยู่ก็ยังมีเสียงอื่นมาแทรกเนี่ยนะซึ่งเสียงที่บางอย่างที่ไม่ได้อ่าไม่ได้เกิดจากกุศลอะไรเนี่ยนะซึ่งโสตะวิญญาณที่เกิดขึ้นรับเสียงนั้นก็ไม่ได้เป็นผลของกุศลอะไรขนาดนั่งอยู่กันอย่างนี้ยังมีที่ปวดที่เมื่อยเลยนะในในร่างกายของเรานะี สำรวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยต้องมีทุกขากายญาวิญญาณมนานสศการเมื่อไหรเจ็บทันทีเลยเห็นไหมเช่นอย่างน้อยที่สุดก็ปวดหลังก่อนใช่ไหมเหยียดขึ้นมาทีงก็ปวดทีงใช่ไหมขยับตัวขยับซ้ายขยับขวาก็ปวดอีกแล้วนั้นทุกขากายญวิญญาณเกิดได้หมดเลยขนาดนั้นเนี่ยนะเมื่อเทียบกับคนไข้หนักๆเราดีกว่าใช่ไหมแต่เมื่อเทียบกับคนมีบุญแล้วเราก็ปว่วยอะ่ะนะนับว่าปว่วยทางกายก็ยังมีอยู่ แล้วใจก็ป่วยด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะเป็นต้นนี่นะเขาบอกว่าผู้ที่ปฏิญาณตนว่าไม่เคยป่วยทางกายเนี่ยนะตลอดร้อยปีนะตลอดปีสองปีสามปีหรือร้อยปีก็พอหาได้นะพระพระภากุละเนี่ยนะพระภากุลเนี่ยท่านไม่เคยกินยาที่สุดโดยแม้แต่ที่สุดคือชิ้นสมองเลยก็คือถ้าสำนวนเราก็คือไม่เคยกินพาราเลยตั้งแต่เกิดมาไม่รู้เป็นยังไง ว่าสุขภาพดีมาตลอดของเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะมาไหนลืมกินยาเ ม, มื่อไหร่ไข้ขึ้นเลยแต่ถ้าถ้าคนที่ทำเหตุมาไม่ค่อยดีก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่คนที่ปฏิญาณว่าไม่เคยป่วยทางใจเว้นพระขีนาศพเสร็จแล้วหาได้ยาก <c oughs> นะเว้นพระขีนาศพเว้นผ้าหันเสียจแล้วยากนักที่ใจจะไม่เป็นไปกับอกุศลอยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเราวันนี้เลยเนะ โอได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงอริยสัจนี่กี่ครั้งใจนี่เราคิดตั้งแต่เช้าจดเย็นใ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในี่เนี่ยนะก่อนจะหลับอีกคิดถึงเรื่องอริยสัจกี่ครั้งเราคิดดูว่าเราเนี่ยอวิชามันเล่นงานเท่านั้นนหะเพราะคิดถึงอริยสัจหรือมีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจทีเป็นกิจของปัญญาถ้าไม่คิดถึงเรื่องอริยสัจเลยซักครั้งเดียวนั่นแหละกิจของอวิชชาเพราะอวิชชาเขาเกิดเพื่อปกปิด ความจริงแห่งอริยสัจเห็นไหมเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยนะเป็นมูลของวัตทุเห็นไหมอวิชชาเนี่ยเป็นมูลแห่งวัตทุกข์จริงๆเฉั้นถ้าเราปล่อยให้อวิชชามันเกิดมากๆจเจริญการุณาให้ตัวเองได้เลยว่าสัตว์โลกเนี่ยมันน่าสงสารจริงๆเลยนะโดยเฉพาะเฉพาะเรานั่นแหละเพราะทําเหตุแห่งความทุกข์ไว้มากมายมหาศาลกําลังช่วงนี้กําลังตื่นภัยสังสารวัฏอยู่นไหมกำลังตื่นอยู่เออเนี่ย โ อ, อกาสรอบสองไม่มีแล้วนะที่จะเจริญกุศลลักษณะนี้อีกนะ <c oughs> เพราะว่าเพลิไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรเราทําอกุศลไปแล้วถ้าไม่เคยทําอกุศลไปแล้วหม่ยังจะพอกล่มในใจนะนึกคงไม่เท่าไรแล้วมั้งบาปเราก็ไม่ได้ทําไว้ปาณาติบาปเนี่ยนะนึกถึงก็ไม่ได้ทําไว้น้อยๆเลยที่นาทานลัก ต, ตัตังแม่กันต่างหลายครั้งอย่างเงี้ยจะไม่ให้ให้ผลได้ยังไงใช่ไหม มูสาวาฏเนี่ยนะไปเล่นมาเนี่ยหลอกแม่เรื่อยอ่ะนั่นนสุราเราก็ดื่มมาตั้งหลายครั้งบอกว่าที่สุดของการดื่มเหล้าก็คือทําให้เป็นบ้าเป็นที่สุดเออในโลกนี้ที่เป็นเหตุแห่งวัตถทุกนะที่คนทุกทุกในเราทําเหตุไว้หมดเลยเห็นยหมเมื่อเราทําเหตุไว้หมดแล้วถามว่าเราจะลืมมันใช่ไหมจะได้ไ ม, ไม่ไม่ต้องที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ลืมนะ แต่ถ้าคิดแล้วเดือดร้อนใจเนี่ยไม่ควรคิดแต่ในขณะนี้คือตรึกเพื่อที่จะได้เสริมความเพียรของเราขึ้นถ้าความเพียรอ่อนเมื่อไหร่เนี่ยนะในการเจริญกุศลธรรมอ่อนเท่าไหร่ก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมากระตุ้นเตือนเป็นปัใจจัยใ ห, ให้ให้เกิดความเพียรขึ้นแต่ขณะที่เรานึกถึงเนี่ยนึกถึงด้วยความสังเวชสลดใจพูดีในยะหนึ่งที่จริงประเทศไทยเราดีนะ ถ้าคุยกับคนคนกัมพูชาเนี่ยอาจจะนึกง่ายนะพวกที่กําลังอพยพเนี่ยนะเขาจะรู้ดีเลยว่าในชีวิตที่เขากําลังอบพยพอยู่เนี่ยนะจริงอยู่เขาอาจจะกําลังพ้นจากคนตามฆ่าเขาแต่เขานั่งทักไม่ได้เขาต้องรีบไปให้ถึงที่มันปลอดภัยที่สุดถ้าไม่ถึงที่ที่ปลอดภัยเนี่ยอย่างไรเขารู้ว่าทุกแน่เนี่ยนะฆ่าศึกอีกฝ่ายหนึ่งตามมาทันเนี่ยเขาทุกแน่ังนั้นคนที่อบพยพเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นเลยเนี่ยนะ หอบข้าวหอบของหอบสเสบียงพลุงพลังเนี่ยอุ้มลูกจูงหลานเนี่ยนะแล้วก็อาวุธก็ดังมาข้างหลังตุ้มตุ้มตุ้มตามเนี่ยหรือเดินไม่ดีเนี่ยไปเหยียบกับระเบิดเป็นต้นมันเผลอมไม่ได้ประมาทไม่ได้ถึงจะเหน็ดเหนื่อยถึงจะเมื่อยล้าก็ต้องไปต่อของเราเนี่เมื่อไหร่จะเห็นว่าชาตินิกันดานชรากันดานพญาทีกันดานและก็มรณะกันดานกันดานในสังสารวัตเนี่ยสังสารวัตนีนกันดานน่ากลัวกว่าภัยแห่ง สงครามเหล่านั้นมนุษย์เหล่านั้นที่ว่าขณะที่อพยพเนี่ยนะเราดูเหมือนน่ากลัวที่สุดเลยนะถ้าเราไปเห็นสัตว์ในป่าที่บุคคลเข้าไปล่าเนี่ยนะอันนั้นน่ากลัวกว่ามนุษย์อพยพด้วยซ้ำไปเพราะคนวางแผนฆ่าสัตว์เนี่ยนะโหไม่ใช่วางแผนธรรมดาเลยนะอย่างอย่างเขาหาปลาตอนนี้เนี่ยปลามันจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามเขามีเรดาร์จับหมดเลยมีกล้องเนี่ยส่องหมดเลยนะว่าปลามันอยู่จุดไหนตำแหน่งไหนบ้าง เพราลงอวนทีหนึ่งเนี่ยเขาสามารถดึงปลาขึ้นจากทะเลเนี่ยนะได้เป็นทีหนึ่งเนี่ยรถสิบลอ้อใส่เลยเห็นไหมเขาสามารถขนาดไปเป็นปลาเนี่ยนะหลบอยู่ในทะเลลึกก็ไม่นึ ก, กว่าจะพ้นนะไม่พ้นเห็นไหมฉลามที่ว่าสัตร์รายนักก็ยังเอามากินหูเลยห <c oughs> <c oughs> ีหน้ากลัวยังเอาเตนของมันมากิน <c oughs> นะถ้าไปอยู่ในอบายแล้วเนี่ยอย่างไรก็จะถูกต้นในลักษณะนี้ เป็นกบเนี่ยขอให้ได้ยินเสียง ร, องร้องกับพวกไปจับละเห็นเป็นอิงเป็นเขียบเป็นทุกอย่างนะจิ้งรีดเนี่ยจิ้งรีคนก็ยังไปจับมันกินเลยนะเลยนะ